มือ่อนีฝนตกโบเมนงามหรือ ว, วะยิ่งยังไหนล่ะมันตกไมหมข้าวห่ามมันบดไนดะ้ไหมมันสิตกมันกระตกมันสีเศร้ามันก็เศร้าแต่ว่าเสียหายเสียหายแต่ผู้ใดประโยชน์ก็มียังว่าหรื ว, วะพวกที่ได้ประโยชน์ก็คือพวกถั่วพวกถั่วเหลืองพวกข้าวโพดรอบสองอาจจะได้ผลประโยชน์บ้างแต่พวกที่เสียก็คือข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้ว ฝนตกอนนี้เสียหายทำให้ข้าวมันขึ้นลาแล้วก็ข้าวหักข้าวไม่เป็นเม็ดข้าวสีไม่สวยเวลาสีออกมาแล้วนะดำหักเสียหายมากพวกที่ข้าวนั่นอ่ะแต่ทำยังไงได้แนวเกษตรกรของเมืองไทยเกิดมาเป็นเกษตรกรฝากฝากฝา ก, ฝากทองไว้กับดินฟ้าอากาศ กว่านั้นพวกใครก็ตามเบียดเบียนเกษตรกรบาปหนักแล้วว่างั้นเถอะทําไมจึงบาปหนักเพราะตัวเองก็กินจากเกษตรกรกินข้าวของชาวบ้านทุกวันแต่พอเขาจะขายข้าวให้มีราคาบ้างกับกันกินชาวบ้านกินกระดูกสันหลังของชาติเนี่ยมันบาปหนักหลวงพ่อว่านะตามไม่จริงก็น่าจะส่งเสริมเขานี่สิ่งไหนที่มันจะ จะเดินรุ่งเรืองจริงใ น, นพอที่เขาจะลืมตาอ้าปากได้ก็ช่วยๆเขาเพราะก่อนที่จะได้ข้าวมาให้เรากินเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาได้ทุกหกทุกใจทุกจิตทุกใจทางว่าฝนไม่ตกนี่ก็โอ้โหเดือดร้อนทั้งครอบครัวไม่รู้จะเอายังไงวางแผนกันละ่ะจะวิดน้ำขึ้นมาใส่ตะกร้ายังไงเอาน้ำ ม, มาจากที่ไหนจะลดยังไงจะตกก้ายังไงฮะ ถ้ามันน้ำมากเกินไปเอา้าเราจะไปปิดน้ำยังไงไม่ให้มันเข้าไล่เข้านาออทุกกว่าจะได้กินข้าวเมื่อได้ข้าวมาแล้วก็พอที่จะแบ่งขายได้กดราคาลงทีนี้ผู้ที่จะส่งเสริมราคาให้มันขึ้นก็ยุ่งเยงิงวุ่นวายกันตีกันซะก่อนจนแหลกเล้วไปหมดราคามันตกแล้วยังค่อยปล่อยออกไปเพื่อจะกินหัวคิวสิ่งเหล่านี้มันรวนแล้วจะเป็นบาป อาุศลทั้งหมดนั่นน่ะตามไม่จิงก็น่า จ, จะส่งเสริมนี่แหละชาวไร่ชาวนามันทุกอย่างที่พูดนี่แหละพอจะได้ข้าวมาอยู่มากินเลี้ยงประเทศชาติแต่ตามไม่จริงเขาก็ไม่ได้คิดเลี้ยงประเทศชาติอะไรคิดเลี้ยงตัวของเขานักก่อนจากนั้นคือเขาจะซื้อจะขายพอจะได้เงินได้คำทรัพย์สมบัติมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเขาแต่ว่าส่วนราชการเ น, นี่ยนับว่ามีบุญเกิดมาแล้วก็ทําการทํางาน เก็บกินภาษีอากรของประเทศชาติถึงจะได้น้อยก็ยังเป็นบุญทุกเดือนมาก็ได้เงินเดือนมาแล้วถึงจะมากจะน้อยก็คํานวณออกมาแล้วต้องเลี้ยงตัวเองได้แต่ชาวไร่ชาวนาฝ่ากฝากฝา ก, ฝา ก, ฝากท้องไว้กับดินฟ้าอากาศนพอเห็นฝนตกอย่างนี้หลวงพ่อก็สงสารพวกชาวนาชาวไร่เหมือนกันนะ่ะแต่พวกชาวนาชาวไร่บางคนก็ได้ผลประโยชน์อย่างที่ว่านั้นอนะ่ะ พ้ะทั้งหมดมียี่สิบสามนะพลายี่สิบสามเนนสองนาคหนึ่งเป็นยี่สิบหกแต่วันนี้รู้สึกพระไม่มาคงจะหนาวมั้งคงจะใช้ระบบหมีรัเสเซียมั้งเพราะหมีขาวรัเสเซียเนี่ยหมีใหญ่พอหน้าหนาวสามเดือนเนี่ยมันจะไม่ออกหากินเด้มันหมกอยู่ในถ้ำเลยงั้นมันหมกอยู่ในถ้าไม่กินเลยไม่กินน้าไม่กินอาหารเลยมันมันอยู่ได้อย่างไงก็ไม่รู้ เขาบอกมันหาอาหารไว้ตอนหน้าแรงมันก็จะหาอะไรมากมายคงจะหากินเก็บไว้เป็นบางแข่งบางอย่างละมั้งแต่สามเดือนไม่ออกเลยแล้วงั้นมีรัสเซียมีแคนาดาประเทศที่นหนาวๆพวกเอสกิโมกีเม่เนะี่ยเขาว่าอย่างนั้นนะอันนี้พวกคูบาวัดเราวันนี้ก็คงหนาวไม่ออกมาเลยทั้งหมดยี่สิบองค์อืมเรื่องปัจจุบันเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญ มันจะดีมันจะเล้วให้ดูในปัจจุบันปัจจุบันนะจิตปัจจุบันนธรรมอุูบาอจารย์พระพุทธเจ้าท่านว่างั้นนะก่อนที่มันจะชั่วมันก็ต้องชั่วออกไปจากปัจจุบันเดี๋ยวนี้ดูเดี๋ยวนี้มันจะดีก็ดูเดี๋ยวนี้ถ่านว่างั้นให้ดูในปัจจุบันถ้าปัจจุบันดี อ, อา so า they, นาคตก็ดีปัจจุบันมันเลีวอนาคตก็เล er so ี้ยวปัจจุบันนะจิตปัจจุบันนธรรมให้ทําอยู่ในปัจจุบันเสมออันนี้คือหลัก ในทางพุทธศาสนาคันนี้พวกเราก็ได้มาวัดมาวาวันพระทำบุญแต่ถึงยังไงถึงครูบาอาจารย์พระสงฆ์จะไม่ให้ศีลแต่พวกเราก็ควรจะสมาทานศีลในจิตในใจเพราะการสมาทานศีลไม่ใช่ว่า อ, อาลาธนามายังพันเตติสระเนศสหะอัดทังคาหรือปัญจศีลานิยาจามะนะก่อรับศีลปานาอธินาการเมมุสาสุราเสียก่อนเค่อยเป็นศีลไม่ใช่อย่างนั้น แต่ถ้าหากว่าพวกเราถึงจะรับศีลไปแล้วก็ตามแต่เราไม่รักษาศีลก็ไม่เกิดศีลก็ไม่อยู่กับพวกเราเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าพวกเรามาวันนี้เออวันนี้เป็นวันพระเดือนสิบสองดับเป็นวันพระใหญ่เป็นวันสำคัญวันหนึ่งพวกเราก็ได้มาวัดมาว่าก็ควรจะรักษาศีล น, นั่นแหละที่จะเป็นประโยชน์ส่วนวันคืนเดือนปีมันก็ผ่านไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรละ เนี้ยก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปชีวิตของเราก็แก่ไปแก่ไปแก่ไปแก่ไ ป, ไปอีกเหมือนกันผู้ที่ตายไปก็ตายตายตายไปตายไปก่อนเราพวกเราเดินเข้าไปใกล้ๆเข้าไปกับตกเหวตกบอตายไปอีกตามหลังไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเพราะงั้นถะแต่ก่อนที่เราจะถึงจุดนั้นควรจะสร้างคุณงามความดีใส่จิตใส่ใจจุดนี้สําคัญคือพวกเราเริมาไหวพ้พระสวดมนต์รักษาศีลเอือวันนิจวันพระ ข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าอย่างเนี้ยข้าพเจ้าไม่ฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าไม่ขโมยทรัพย์ข้าพเจ้าไม่ประพฤติผิดในกามข้าพเจ้าจะไม่โกหกข้าพเจ้าจะไม่ดื่มสุราของมึนเมาทุกอย่างในวันนี้รักษาศีลห้าแต่ใครมีอุตสาหะเริยะมากกว่านั้นก็ข้าพเจ้าจะไม่ทานอาหารตั้งแต่เที่ยงแล้วไปไม่ทัดทรงดอกไม้ของหอมไม่ดูหนังฟังลำ ไม่นอนที่นอนอันใหญ่ที่ยัดหนุนและสำรีข้าพเจ้าจะงดทั้งหมดในวันนี้อันนี้คือศีลล่ะงดละเป็นศีนลล่ะเจตนางงดละเป็นศีลละคนนั้นพวกเรามาถึงวันพระวันนี้ก็พอจะรักษาศีลห้าได้ควรจะรักษาศีลห้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เฒ่าผู้แก่หมดภาระแล้วควรจะรักษาศีลอุโบสถนาดีทุกวันพระถึงจะไม่ได้มาวัดก็รักษาอยู่ที่บ้านก็ได้ มีเจตนาวิรัตเจตนานะ่ยวิรัตเจตนาคือความตั้งใจจริงนั่นแหละเป็นศีลแล้วไม่จําเป็นจะต้องมารับกับพระพระเวชสันดรท่านอยู่ในป่ากับนางมัชชีเนะี่ยท่านรักษาศีล8ปด้อยู่คนละหลังกันท่านรักษาศีล8พระเวชสันดรก็รักษาศีลแปนางมัชชีก็อยู่กับลกูกก็รักษาศีลเลี้ยงลกูกแต่พระเวชสันดรนท่านอยู่ศาลาหลังหนึ่งของท่านรักษาศีลแปเป็นฤาษีว่างั้นเถิ ท่านจะไปสมาทานกับพระที่ไหนพระที่ไหนจะมาให้ศีลท่านท่านอยู่ในป่าอย่างนั้นในะท่านก็เป็นศีลของท่านอย่างพระมหาชนกเหมือนกันว่ายน้ําในมหาสมุทรปักหมปักหมอยู่เจ็ดวันพอเห็นพระอาทิตย์ตกลงไปพระจันโผลขึ้นมาโอ้อันนี้เป็นวันพระท่านก็สมาทานศีลสมาทานศีลอุโบสถเอาน้ําบ้วนปากแล้วก็บ้วนน้าทิ้งแล้วก็ว่ายน้ําต่อไปในะท่านวิรัตเกตนาศีลเป็นศีลแล้ว พระจะไปให้ศีลที่ไหนตรงนั้นน่ะจะมีพระที่ไหนนั่นแหละศีลของพระพุทธศาสนาศีลของพระพุทธเจ้านี่ถ้าไม่มีเจตนามีความวิรัตเจตนาแล้วเป็นศีลทั้งนั้นแหละอ อ, อันนี้ยกตัวอย่างเพียงไม่กี่ท่านนะคือศรีชีพายพระสงฆ์องค์พระเจ้าทั้งหลายบางทีท่านใช้พบใช้ชาติทั้งหลายโดยมากมีแต่สั้นวิรัตเจตนาศีลพอต่อมาประเทศชาติบ้านเมืองเมืองไทยของเรา พุทธศาสนาของเราก็เลยตั้งให้เป็นพิธีขึ้นมาทีนี่เอเพื่อให้ศีลให้พระสงฆ์เป็นสักขีพยานอีกทีหนึงพวกเราก็เป็นผู้ขอศีลเพื่อให้เชื่อมั่นว่าเข้าไปเจ้ารักษาศีลจริงๆนะพระสงฆ์เป็นสักขีพยานนะเป็นผู้ให้ศีล น, นะอแต่ขนาดนั้นมันยังถลุวิถรกไปได้เป็นของสนุกของเล่นไปได้ไปที่ไหนมีจรับศีลพอรับศีลมากะก อ, อกเล่ากันละ่ะทําเป็นพิธีเท่านั้นเอง ทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นศีลไม่ใช่ของพิธีได้ถ้าเจตนาคือเจตนาวิรัติเจตนาเป็นศีลแล้วอย่างพวกเราทุกๆ ท, ท่านเวลาไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วกลางคืนนะไหว้พระเสร็จแล้วแผ่เมตตาเสร็จแล้วเราก็วิรัติเจตนาเออข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าตลอดคืนวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าตลอดคืนนี้ตลอดวันพรุ่งนี้ นั้นแหละ น, นั่นก็เป็นศีลเหมือนกันนะเป็นศีลในช่วงระยะคืนหนึ่งนะแต่ท้างว่ารักษาศีลอย่างวันนี้เป็นวันสาคัญข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าวันหนึ่งกับคืนนึ่งนะก็เป็นศีลแหละใครรักษาศีลเวลาไหนก็เป็นศีลเวลานั่นพราะฉนนั้นพวกเราควรจะรักษาศีลก็คือรักษากายไว้จ่าของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลคนที่มีศีลปิดอบายจะภูมิเนละ รักษาศีลได้คือมาต่อมากับกว้างขวางไปเรื่อยต่อมากับรักษาพอกลางคืนได้ต่อมารักษากลางวันได้รักษาในวันสําคัญต่อมาขยายไปเรื่อยอันนั้นไปว่าสร้างคุณงามความดีไปเรื่อยใส่จิตใส่ใจจิตใจของเรามีความมั่นคงและลึกถึงขึ้นมาเวลาใดก็อเออข้าพเจ้าไม่ได้ทําความชั่วข้าพเจ้าสร้างแต่คุณงามความดีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมา ก, กา็จิตใจเข้มแข็งเพราะคนมีสมบัตินี่มันเข้มแข็งได้เด้ เมื่อล้มหายตายจากไปก็ระลึลกถึงคุณงามความดีตายก็ไม่หลงตายไม่เผลอเลยตายไม่ละเมอตายว่างั้นเถอะตายด้วยการมีสติเมื่อตายมีสติก็ไปสู่สวรรค์น่านเเนี่ยเวไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเวไปเกิดพบภูมิใดภูมิหนึ่งเออมีความสุขจากนั้นก่อพอพ้นอายุในการเป็นอยู่แล้วก็อา้าวมาเกิดเป็นมนุษย์ในพบภูมิที่เป็นมนุษย์ก็มีสติมาเกิดไม่เกิดสติสะปะว่างั้นเถอะ มาเกิดเป็นมนุษย์เราจะเกิดในสกุลไหนเราจะบําเพ็ญตอนอย่างไรมาเกิดแล้วเนะี่ยอย่างนี้เป็นตน้นะก่อนที่จะตายก็เป็นผู้สั่งบุญสั่งกุศลขณะที่ตายก็มีสติเนี่ยเวลามาเกิดก็มีสติมาเกิดอันนี้แปลว่าเป็นผู้สร้างบุญสร้างกุศลเพราะฉนั้นพวกเราทุกๆท่านตายแล้วไม่ศูนย์ยอย่าไปคิดว่ามันจะศูญนะถ้ามันศูนย์เราจะมาสร้างคุณงามความดีทําไม ศูนย์แต่ร่างกายเนี่ย น, นะมันแตกจริงๆตายจริงๆแต่จิตใจมันไม่ศูนย์นะมันปฏิสนธิมันไปหาเกิดพบน้อยพบใหญ่ได้เพราะนั้นพวกเราอย่าประมาทสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลใส่จิตใส่ใจของพวกเราให้เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์จากนั้นก็ให้ศึกษาจากนั้นก็ให้ปฏิบัติจากนั้นก็ให้ภาวนาถ้าได้ภาวนาจิตใจสงบเป็นหนึ่งนะ จิตใจไม่ฟุง้งไม่ฟุงไปที่อื่นจิตใจเป็นหนึ่งเราจะรู้ได้ว่าร่างกายของคนเราในส่วนหนึ่งจิตใจนั้นส่วนหนึ่งเป็นคนละส่วนกัน เ, เมื่อเป็นคนละส่ว น, นเราก็รู้ได้ว่าร่างกายนี้แตกตายแต่จิตใจนั้นไม่ตายอะจะต้องไปหาที่เกิดใหม่อีกปฏิสนธิใหม่อีกก่อภพก่อชาติใหม่อีกในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านเน้นหนักเรื่องตัวใจตัวนามธรรมนั่นนเป็นหลักตัวร่างกายนี้ รูปร่างกลางตัวได้มันกระต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาแต่นามธรรมคือใจนั้นไม่ตายพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักจุดนั้นนะจุดนามธรรมนั่นนะวันนั้นท่านจึงให้ภาวนาให้มีสติคนมีสติคนภาวนามีสติแล้วจะจับตัวนั้นได้ดูใจตัวเองได้มันคิดนึกเรื่องอะไรเป็นฝ่ายกุศลหรืออกุศลนะท่านรู้ได้นะวันนั้นพวกเราให้ศึกษาให้ปฏิบัตินั่นอนะ่ะเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้ก็ น, นาไปพระพุทธปฏิบัติ พยายามนั่งภาวานานั่งเหมือนพระพุทธรูปนั่งหลับตาแต่พุทะลุปของเรายังดื่มตาอยู่แต่เราต้องหลับตาไม่ต้องให้มองเห็นอะไรทั้งหมดนึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธในใจพยายามฝึกหัดต่อไปจิตใจของเราจะเข้มแข็งจิตใจของเราจะเป็นบุญเป็นกุศลจิตใจมีหลักมีแต่ความร่มเย็นผาสุขแต่จิตใจไม่ได้ฝึกหัดจิตใจอ่อนไหวแล้วก็ ค, คิดนู้นคิดนี้ฟุ้งปุงฟุ้งซ่าน เห็นอะไรก็ขว้างหูขว้างตาไปหมดโมโหโทโสไปหมดอารมณ์โกรธเครียดไปหมดอันนั้นไม่ดีนะไม่ถูกต้องถหลักของพุทธศาสนาะน่จิตใจเย็นมีความสุขรู้จักปล่อยวางนะ